ขวนขวายช่วยเหลือเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์มุติตาปลอยยินดีเมื่อลูกได้รับความสุขสบายพ่อแม่ไม่มีความอิจฉาริษยาลูกของตัวเองมีแต่ปรารถนาดีอูเบคาสบายใจในเมื่อลูกมีความสุขสบายนี่คือความปรารถนาของพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่จึงเป็นพระพรหมของเรา